ขอความเจริญในธรรมจุมมีแดะท่านผู้ฟังทั้งหลายใต้ร่มประภวติยานในวันนี้ได้กล่าวมาถึงเรื่องของสัญญาสิบประการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแก่พระอนุทิระให้ไปแสดงแก่พระคิริมานนเทระซึ่งกมลภาจุในข้อต่อไปนั้น ทรงใช้คำว่าสับเบโลกเกอนาภิรตัสัญญาคือการให้ตั้งใจกำหนดหมายให้มองเห็นสิ่งทั้งหลายในโลกเป็นสิ่งที่ไม่ควรแก่การยินดีข้อนี้จะพบว่าการใช้ความกำหนดหมายในลักษณะนี้ เป็นการสร้างความรู้สึกทวนกระแสโลกไปอย่างแรงเพราะตามปกติแล้วโลกนั้นจะเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดยินดีของบุคคลทั้งหลายแังนั้นการจะมองเห็นสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเพลิดเพลินยินดีของชาวโลกให้เป็นความไม่น่ายินดี จำเป็นจะต้องเพิ่มพูนปัญญาในชั้นที่สามารถเจาะลึกลงไปในสิ่งนั้นๆได้หรืออย่างน้อยที่สุดก็บรรเทาความรู้สึกที่ท่านเรียกว่าวิปัสสาาให้เจือจางบาบางลงไปได้ควาว่าวิปัสราาที่เป็นอุปสรรคต่อความรู้ความเห็นในข้อนี้ก็คือ สิ่งที่เรียกว่าสุภาพวิปัสสนานคือการที่บุคคลมองเห็นสิ่งซึ่งไม่สวยไม่งามอยู่โดยปกติว่าเป็นของสวยงามการเห็นในชั้นนี้บางอย่างก็เป็นเรื่องของการจาหมายเอาที่ท่านเรียกว่าสัญญาวิปัณส น, นเกิดขึ้นจากการบอกกล่าวของบุคคลทั้งหลายบ้าง การตัดสินของตนเองในขณะนั้นๆบ้างไม่ได้มองอะไรให้ลึกซึ้งลงไปตัดสินจากประสาทสัมผัสของตนหรือประสบการณ์ของตนก็มีการกําหนดหมายว่าสิ่งนั้นเป็นเรื่องที่สวยงามบางครั้งจะมีการเก็บสะสมความรู้สึกว่าสิ่งนั้นสวยงามเอาไว้เป็นนั้นมากจนเกิดเป็นความคิด ท่านเรียกว่าจิตวิปัลลาดคือการคิดที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงและบางครั้งความคิดนั้นก็เก็บสะสมไว้ยังลึกอยู่ภายในจิตสันดาลก็กลายเป็นความรู้สึกที่ท่านเรียกว่าทิฏฐิวิปัลลาดคือความเห็นที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงนั้นการจะมองให้เห็น ในแง่ความจริงตามที่มันเป็นอย่างไรจึงต้องอาศัยการใช้ปัญญาปินิตปิจรณา ส, สองลงไปในเรื่องเหล่านั้นซึ่งข้อ น, นี้ก็อาจจะอาศัยในยะของกายานุปัสนาสติปัฐานที่ได้สดับสนฟังและประพฤติปฏิบัติมาแล้วนั่นเองข้อนี้พระพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสแสดงในส่วนของกายานุปัสนาสติปัฐาน เพื่อต้องการบรรเทาความทะยานอยากทางใจที่เกิดขึ้นจากการกำหนดหมายอารมณ์เพราะหน้าใคร่หน้าปรารถนาหน้าพอใจของบุคคลทั้งหลายบางครั้งก็มีการกำหนดหมายที่รุนแรงไม่ค่อยดูอะไรให้ชัดเจนลงไปบางครั้งก็มีความประนี่ขึ้นแต่สรุปว่า ก็ยังอยู่ในกระแสของความรู้สึกที่เรียกว่าเป็นตันหาหรือเป็นอภิชาเพื่อให้เกิดการเคื่งเล็งโลภจากได้ปรัฒนาค่อยๆ้าในสิ่งเรานั้นข้อนี้บางครั้งก็ส่งสอนในแนวของอนาปานสติแต่เรามาพิจารณาในแนวของอนาปานสติคือการกำหนดระลึกรู้ลมหายใจเข้าออก ในชั้นหนึ่งเป็นการสร้างความสงบให้เกิดขึ้นภายในจิตใจคือสติระลึกอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกก็เกิดเป็นอาการทางสมาธิคือความสงบแต่ถ้ายกสิ่งนั้นขึ้นพิจารณาก็จะมองเห็นว่าที่จริงร่างกายซึ่งเป็นที่กำหนดหมายว่าสวยงามหน้าใคร่หน้าปรารถนาหน้าพอใจนั้น ก็อยู่ที่การปปรปรนปรือของลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเท่านั้นเองถ้าหายใจเข้าแล้วไม่ออกหัย ใ, ใจออกก็ไม่เข้าร่างกายนี้ก็จะแตกดับและมีความเปลี่ยนแปลงแปรแปรวนไปตามสภาพของมันก็จะเกิดความเบื่อนหน่ายคลายกำหนัดในกายตน้นแล้วมองไปถึงกายบุคคลอื่นก็จะมีความรู้สึกในสมองเดียวกันแต่จะมองในแนวของ ยืนเดินนั่งนอนว่าร่างกายนี้ดารงอยู่ได้ก็โดยอาศัยอุรยาบทในชั้นของการพิจารณาก็มีความเกิดดับอยู่ตลอดระยะเวลาความเที่ยงแท้แน่นอนของร่างกายนี้ไม่มีอยู่อย่างแท้จริงเป็นเพียงการไหลตามกันมาของสิ่งของสังขารทั้งหลายแต่ม้ร่างกายนี้ดำํดำรงดารงอยู่ ซึ่งมองคล้ายๆจะดำรงอยู่อย่างถาวอนแต่แท้จริงแล้วเป็นอาการไหลของส่วนต่างๆที่ประกอบเกาะคลุ่มข้าวเป็นร่างกายแต่ถ้ามองไม่เห็นก็อาจจะมองลึกซึ้งขึ้นไปกว่านั้นโดยการจำแนกแยกแยะในส่วนของร่างกายออกเป็นธาตุสี่เป็นรูปของดินน้ำลมไฟ การมองในดินน้ำลงไยนั่นตามปกติแล้วก็มองในสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือดินก็พยายามดูในส่วนที่เป็นดินอาการใดที่แข็งแข็งซึ่งปรากฏอยู่ในกายนี้เต้นได้ด้วยตาก็มีผมขนและฝันหนังนอกจากนั้นก็มีพวกเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจเป็นต้นเมื่อเกาะคุมกัน มีส่วนใดไม่มีส่วนใดที่บกพรองลงไปก็ดูแล้วกล้ายๆจะสวยงามแต่แท้จริงสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะโดยที่เกิดที่ตั้งที่อยู่ ร, รูปร่างลักษณะตัวแลวแต่เป็นของปฏิกูลน่ากเกลียดด้วยกันแต่เหตุไม่ชัดก็สงสอนในแนวของปฏิกูลละประภะคือแยกออกเป็นอาการทั้งสาสิบสองประการ จรงอาการทั้งสามสิบสองนั้นก็เน้นไปที่ธาตุ ด, ดินกับธาตุน้ําเป็นหลักเมื่อบุคคลมองเห็นว่าแท้จริงร่างกายของบุคคลก็เกาะกลุมกันเป็นการเกาะกลุมกันของดินน้ําลมไฟอากาศเมื่อสิ่งเหล่านี้เกาะกลุ่มกันยังมีสัดส่วนบุคคลก็อาจจะรู้สึกว่าสวยประงามได้มาเป็นนิสหน้าเพลิดเพลินกำนัดยินดีได้แต่เมื่อสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงแปรปรปวนไป ก็จะมองเห็นความเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหล่านั้นความไม่น่าใคร่ไม่น่าปรารถนาที่มีอยู่อย่างแท้จริงในสิ่งเหล่านั้นบางครั้งอาจจะมองไปในแนวของคนตายหรือสักศพต่างๆเป็นต้นซึ่ก้นี้จะเห็นว่าแต่ละอย่างนั้นเมื่อบุคคลได้ใช้ปัญญาพินิพิจารณาไปก็จะมองเห็นว่าไม่มีอะไรที่น่าชื่นชมยินดี ร่างกายที่ดำรงอยู่ได้ก็ต้องอาศัยการบริหารกันโดยวิธีการต่างๆแม้จะพยายามปลนปลือโอ้อกใจต้นุถนอมกันโดยวิธีการต่างๆแต่บดแกจะเจ็บแกจะป่วยแกจะปวดแกจะเมือ่อยแกก็เป็นก็แกโดยไม่สามารถที่จะควบคุมบังคับบัญชาไว้ได้หรืออาจจะมองในมุมที่หยาบๆยาบ จะมองเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของที่เป็นชิ้นเป็นอันอยู่ก็ได้จะมองเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นที่จริงแล้วจะให้ความเพลิดเพลินยินดีนั้นเพียงเล็กน้อยแดีวเพิ่มความทุกข์ความตุปการบลความเดือดร้อนนั้นมากกว่าและแม้แต่ความคิดเ พ, พื้นที่ได้ยินได้ฟังกันอยู่ทั่ ว, วไป จะเป็นโครงเป็นสุภาษิตต่างๆรวนแล้วแต่สามารถที่จะเตือนจิตสึกใ จ, จของบุคคลให้มองอีกแง่นึงว่าไม่เป็นที่เพลิดเพลินยินดีอย่างน้อยก็ลดละบันเทาความรู้สึกในสายของโลภะหรือสายของราค ะ, ะออกมาในรูปตัณหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการาตัณหาเพระตัณหา ความรู้สึกเหล่านี้จะช่วยพระคับประคองการปฏิบัติตั้งแต่ระดับศีลธรรมจัญญาขึ้นไปโดยลำดับข้อนี้เพ็่นสังเกตว่าแม้แต่ชั้นของศีลที่บุคคลศึกษาสมาทานอยู่ก็ต้องอาศัยปัญญาพินิพิจนาเห็นถึงความไม่น่ายินดีในสิ่งต่างๆลงไปอย่างน้อยที่สุดเช่นในเรื่องของทรัพย์สิน ใจก็ไม่ยินดีในทรัพย์สินที่เป็นของของบุคคลอื่นถ้าใจยังยินดีในทรัพย์สินของบุคคลอื่นการรักษาศีลข้อที่สองให้เป็นไปด้วยดีจะทําได้ยากโรากาสที่จะละเมิดศีนนั้นมีได้ง่ายตึงมองคู่ครองของบุคคลอื่นให้เป็นผู้ที่ไม่ควรแก่การยินดีเพื่อจะยับยั้งการประพฤติการกระทําให้ละเมิดศิน แต่วความคิดตัว น, นี้ก็สืบเนื่องกันมาเรื่อยๆจนระดับของศีลนุโลสถถึงต้องอาศัยการมองเห็นในแนวที่เรียกว่าไม่น่าเชื่นชมยินดีระดับหนึ่งในชั้นต่อไปก็ให้มองในแนวของความยึดถือเพราะสิ่งเหล่านั้นที่จริงแล้วแกเป็นอย่างที่แกเป็นเหตุปัจจัยให้แกเป็นยังไงแกก็เป็นของแกอย่างนั้นแต่การที่แกมีอิทธิพลต่อใจของบุคคลได้ เพราะอาศัยใจไปกำหนดหมายวัตถุอารมณ์หรือบุคคลเหล่านั้นว่าเป็นสิ่งน่าใครน่าปรารถนาหน้าพอใจตามปกติแล้วพระพุทธเจ้าจะใช้คำสามคำบาลีว่าอิทากันตาปนาปาเราแปล ว, ว่าน่าใครน่าปรารถนาหน้าพอใจทําให้กําหนดอย่างนั้นความรู้สึกเฉยเฉยในอารมณ์ก็จะบังเกิดขึ้น ที่รันเรียกว่าสามารถวางเฉยในสัตว์และสังขารทั้งหลายได้ความทุกข์ก็ดีความสกุขก็ดีที่เกิดขึ้นภายในชีวิตของบุคคลเกิดขึ้นจากการกำหนดหมายสัตว์และสังขารทั้งหลายว่าเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีเป็นที่ตั้งแห่คงหความเพลิดเพลินและปรารถนาให้สัตว์และสังขารเหล่านั้นเป็นอย่างที่ตัวต้องการจะให้เป็น ประสาทสังขารเหล่านั้นไม่เป็นอย่างที่ตัวต้องการจะให้เป็นความทุกข์ความโทรมานักความเดือดร้อนใจความวิตกกังวลต่างๆก็าบังเกิดขึ้นถ้ า, าก็นําความคิดเหล่านี้ไปใช้ในระดับสินทางจัญญาคือการอยู่ครอบครองเรือนอย่างน้อยก็จะปรับใจของตนเองให้ยอมรับความจริงไว้ครึ่งหนึ่งเพื่อเผื่อว่าเวลาสิ่งเหล่านี้เกิดเปลี่ยนแปลงไป ใจก็จะมีหลักเป็นเรื่องยึดเหนี่ยวเพราะว่าได้เตรียมใจไว้แล้วแต่ตามปกติบุคคลส่วนใหญ่จะมองกันไปในแง่เดียวคือแง่ที่น่าใคร่น่าปรานาน่าพอใจพอสิ่งที่ตนไม่คาดหมายไว้บังเกิดขึ้นก็นเกิดความทุกข์ความโทมนัสเพราะความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนของสิ่งเหล่านั้นแต่นั้นจะเห็นได้ว่าในกลุ่มของปะกิจกทุกข์ คือทุกที่จอดเข้ามาที่พระพุทธเจ้าทรงจำแนกแสดงไว้เป็นมากแล้วก็สวดสาธยายกันความโศกความร่ําไรรําพันความทุกข์ความเสียใจความขัดแค้นใจเป็นต้นเนี่ตอนนี้ถ้าจะตั้งปัญหาถามว่าทําไมจึงโศกก็ตอบได้ว่าเพราะสิ่งที่เรายินดีนั้นมีความเปลี่ยนแปลงไปเช่นว่าโศกเพราะของที่รักหายไป นคนที่รักจากไปหรือสิ่งที่เราต้องการแล้วไม่ได้ตามที่เราต้องการเป็นต้นแล้วก็ให้เกิดความโศกขึ้น่าแต่ถ้ามีการเตรียมใจเอาไว้คือมองในแง่ของความเป็นจริงของสิ่งเหล่านั้นว่าเราไม่สามารถที่จะกําหนดหมายให้เป็นอย่างที่เราเป็นได้ไปทุกกรณีเวลาเกี่ยวข้องกับคนสัตว์สิ่งของก็าทำใจแบ่งใจเอาไว้สักครึ่งหนึ่ง เกิดเขาอาจจะอยู่กับเราก็ได้หรืออาจจะไม่อยู่กับเราก็ได้คือก็เริ่มด้วยการไม่มีมาก่อนแล้วในที่สุดก็มามีต่อไปก็จะจบลงด้วยความไม่มีแม้แต่ว่าชีวิตร่างกายของบุคคลเราก็เป็นเช่นนั้นแต่เ่เวลาพูดในแนวธรรมดาธรรมดาพ็เจ้าก็ทรงแสดงว่า บุคคลทั้งหลายไปบนเพอ้อไปคาดคิดกันว่าทรัพย์ของเราญาติของเรามารดาบิดาของเราบุตรธิดาของเราโดยความไม่จริงแล้วแม่ตัวของเราก็ไม่เป็นของเราสิ่งเหล่านั้นจะเป็นของเราได้อย่างไรแน่นอนในชั้นของความรู้สึกที่เป็นจริงได้และก็ปล่อยวางได้นั้น เป็นการใช้ปัญญาระดับที่ทรงใช้คำว่าสามารถปัญญาคือปัญญาที่เห็นชอบตามความเป็นจริงสามารถลดละบรรเทาความรู้สึกว่าเอตังมะมะกคือของเราเอโซมัสมิคือเป็นเราเอโซเมอตตาคือเป็นตัวเป็นตนของเราลงไปคืออย่างน้อยความรู้สึกเหล่านี้จะต้องจางลงไปถ้าไม่จางลงไป การจะมองให้เห็นความไม่น่ายินดีของสิ่งทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เช่นจิตใจที่ขวายคว้าปรารถนาสิ่งทั้งหลายต้องการจะให้เป็นของเราของเราอยู่ร่ำไปการจะชวนให้มองอีกแนวหนึ่งว่าที่จริงสิ่งที่ขวายคว้าปรารถนาเหล่านั้นเออก็จริงก็ไม่ได้เป็นของเราอยู่ตลอดไปและในสุดก็ต้องจากกัน คงจะพูดกันไม่รู้เรื่องแต่นั้นวิธีการของพระพุทธเจ้าจึงทรงท้าวิธีขัดเกลาวไปเรื่อยสามารถเห็นได้ในจุดใดก็ให้เห็นไวในจุดนั้นแล้วก็มองกันในแนวที่หยาบๆยาบมองกันในแนวความเคลื่อนไหวที่เป็นรูปธรรมมีการพลัดพรากมีความเปลี่ยนแปลงเห็นได้ชัดๆเจอก่อนอย่างที่ทรงสอนในพิจารณาในแนวของอวินาปัจเวกขณะ เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นที่จริงแล้วก็เป็นอย่างนั้นเองให้มองเห็นว่าเป็นเรื่องคติธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดามีการ พ, พลาดพาดเป็นธรรมด า, าวันใจอย่าไปกำหนดยินดีในแนวเดียวคือย่างน้อยก็อย่าไปกำหนดในแนวเดียวว่าเราจะต้องไม่แก่จะต้องไม่เจ็บจะต้องไม่ตายหรือ <ทำ S 1> จะต้องไม่พลาาเพราะกำหนดอย่างนั้นไม่ได้ไม่มีใครจะกำหนดได้ เพราสิ่งทั้งหลายแก่เกิดขึ้นดำรงอยู่และเปลี่ยนแปลงแต่กลับไปตามเหตุตามปัจจัยถ้าว่าปรับใจได้ระดับนี้ในชุดหนึ่งจะน้อยในจุดจุดหนึ่งก็จะช่วยปัญหาในด้านการรักษาศีลและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือคุมความคิดของบุคคลเอาไว้ไม่ให้แล่นไปในอารมณ์ทั้งหลายมากเกินไปที่ทรงใช้คาว่า ถูกตัณหาผลักสายไปหรือถูกตัณหากระสิบใจหรือถูกถูกตัณหาเสือกสายไปในอารมณ์ต่างๆก็จะเป็นเช่นนั้นแล้วความสงบไปในใจก็จะไม่มีบัดดีก็ทรงสอนในแนวที่เรียกว่าให้คุมความคิดในระดับที่เรียกว่าจะโลภอยู่แต่ทำยังไงอย่าถึงกับโลภอยากได้ของของบุคคลอื่น คืออย่าไปถึงก็ยินดีของของบุคคลอื่นน้ยินดีด้วยเรี่ยวแรงความเพียรพยายามของเราขนาดนี้ก็คุมจิตใจคุมในชั้นสีนได้ได้แต่ในเชิงของการปฏิบัติแล้วก็ต้องอาศัยการพินิจพิจารณาในแนวที่จะถ่ายถอนคือมองให้เห็นความจริงของสิ่งเหล่านั้นในแง่ใดแง่หนึ่งให้ได้ก่อนโดยพยายามพิจารณาในแนวของไตรลักษณ์ จะมองในสายของทุ ก, กตาคือความเป็นทุกข์ของสิ่งทั้งหลายก็ได้เพราะถ้ามองเห็นทุกข์แล้วก็ไม่มีอะไรที่น่ายิน ด, ดีเห็นว่าสิ่งทั้งหลายนั้นน่าเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยในการประกอบประชุมกันดีบ้างไม่ดีบ้างทั้งสิ่งที่คนสร้างขึ้นมาทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นมาโดยกฎเกณฑ์เงื่อนไขของธรรมชาติ กาาสาเหตุปัจจัยมาประชุมเกบคุมกันเท่านั้นเองอย่างร่างกายของบุคคลเราก็เกิดขึ้นมาจากปัจจัยทั้งสองฝ่ายคือปัจจัยทั้งที่เป็นรู ป, ปรธรรมและส่วนที่เป็นนามรธรรมอาจจะเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเพลิดเพลินยินดีในกรณีที่ใจถูกปรุงด้วยความรู้สึกจากราคะหรือจากโลภะหรือจากตัณหา แต่ถ้านำปัญญาไปพิจารณาสอดส่องมองให้ชัดเจนลงไปว่าจะปรับตัวเองขยับให้บาอยู่ในจุดที่เรียกว่าเป็นที่พึ่งพงนักได้เพราะการกำหนดความน่าเพลิดเพลินยินดีในแง่ของความสวยงามนั้นเพิงสังเกตว่าบางครั้งคนไปหลงเพลิดเพลิอนอยู่ในการประดับประดาตกแต่ง แเราเห็นว่าถ้าตกแต่งอย่างนั้นจะมีความสวยงามเป็นที่เพลิดเพลินยินดีพอใช้ปัญญาสอดส่องพิจิพิจารณาสักระยะหนึ่งก็จะเห็นว่าที่จริงแล้วก็ไม่เป็นอย่างที่เราคาดคิดมาเป็นแม้จะเป็นก็เป็นได้เพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งการเวลาไม่นานก็มีความเปลี่ยนแปลงไปสิ่งที่คิดว่าสวยงามก็มีการเปลี่ยนแปลงไปก็จะมองในแง่ของความสวยงามที่เป็นรูปธรรม ซึ่งเกิดขึ้นจากวิบากกรรมของบุคคลที่แตกต่างกันแต่ในสุดก็จะมองเห็นว่าเอาก็จริงไวที่น่าเพลิดเพลินจินดีไว้ที่เบิกบ้านนั้นก็จะมีอยู่ระยะสั้นๆไม่นานเลยเมื่อเทียบกับการเวลาของสิ่งต่างนมองดูเทียบเคียงไปแล้วจะเห็นว่าบ้านที่คนสร้างขึ้นมาจะมีอายุยืนกว่าคนที่สร้างบ้านนตีตทมไป หรือต้นไม้ที่คนปลูกเข้ามาขึ้นมาก็มีอายุยืนกว่าคนที่ปลูกต้นไม้เพราะร่างกายจึงไม่เป็นที่น่ายินดีอะไรได้นานๆในสุดก็จะเพิ่มพูนความดีของตัวขึ้นไปในชั้นที่อาจยังติดความงามอยู่แต่ก็จะแสวงหาความงามในชั้นที่เป็นศีลในชั้นที่เป็นกิริยามัญญาดหรือความเป็นสมบัติพูดี ที่สามารถควบคุมอาการทางกายทางวิชจจาของตนให้อยู่ในการรองของศีลไม่รู้อำนาจแก่อิเลสที่บางเกิดขึ้นและเมื่อมองเห็นคุณค่าความดีงามในชั้นนี้ก็จะเพิ่มพูนขึ้นไปในชั้นที่มุ่งจะให้จิตใจของตนมีความงดงามโดยอาศัยเพิ่มพูนคันติบ้างโสรจักหรือความสงบสิงเงียมขึ้นมาบ้างเพื่อจะเพิ่มคุณธรรมส่วนอื่นๆขึ้นมาจนมีพรมหมจรรย์ธรรมเป็นหลัก เป็นเรือนใจเป็นต้นเราอาศัยการเดินไปด้วยความงามแต่ในขณะเดียวกันก็ละทิ้งความงามที่มีสาระน้อยไขว้คว้าความงามที่มีสาระสูงขึ้นไปแลพอปัญญาแกเกิดสูงขึ้นก็จะเห็นว่ายังมีคุณความดีที่สูงขึ้นไปกว่านี้อีกมากซึงสามารถจะสร้างความส ง, งบ ความสว่างในด้านจิตใจความอิสระจากกำนาของกิเลสตัณหาหรือตัณหามานะทิฏฐิออกไปได้จิตใจก็จะมีฉันทะอุตสาห์ที่จะก้าวไปให้ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นประการสำคัญในเรื่องนี้จึงอยู่ที่ความรู้ถ้าหากว่าปริมาณของความรู้มีไม่มากพอการที่จะถ่ายถอนความกำนายินดีในรวมทั้งหลายก็มีได้ยาก ดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงแสดงสภาพชีวิตหรือสภาพในด้านจิตใ จ, ใจของบุคคลในโลกนี้โดยสรุปไว้เป็นสองประเภทตามในาย่าของพุทธนราธิษฐานด้วยว่าเธอทั้งหลายจง ม, มาดูโลกนี้อันต ร, รการดุราชรุดคือมีความสวยงามวิจิตพิสดาสรสมบับใจที่ถูกปรุงแต่งด้วยราคาด้วยตันหาด้วยโลภะมันก็มีความสวยงามความเพลิดเพลิน ดังนั้นจึงทรงใช้คําว่าคนที่ไม่รู้ก็คล่องอยู่แต่พวกผู้รู้ไม่คล่องอยู่หมายความว่าโลกอารมณ์วัตถุบุคคลสิ่งของเดียวกันนั่นเองตราบใดที่ความรู้ยังไม่มีมากพอความคล่องความติดความกําหนัดเพลิดเพลินก็จะมีอยู่ในสิ่งตอนนั้นแต่ยามใดที่บุคคลเกิดความรู้ขึ้นมา ก็จะค่อยๆมองเห็นส่วนที่บกพร่องของสิ่งเหล่านั้นโดยลำดับดังนั้นเวลาบางครั้งบางคราวก็ส่งสอนให้ดูที่เรียกว่าตจาจักรัญจกะกรรมฐานก็ดูที่ผมขนเล็บฟันหนังอันเป็นที่ตั้งแห่งความก้าหนัาเพลิดเพลินยินดีของบุคคลทั้งหลายดูบันทีละอยะ่างดูที่อยู่ตามปกติไม่เห็นก็ดูตอนที่มันเปลี่ยนแปลงสถานที่เช่นดูผมที่หล่นลงไปดูเล็บที่ตัดทิ้งไปแล้ว ดูขนที่ร่วงหล่นลงไปดูผิวผิวหนังที่มีโรคหรือว่าแปดเปื้อนด้วยสิ่งต่างๆตอนเราถึงมีแผลผู้ฟังเป็นต้นท่านผู้ฟังทั้งหลายในโรงบําเพ็ญญานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเทาง่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้อ ง, งามไปบูรในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี